ตอนบรรยายณโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษาวันที่สิเก้ามกราคมสองพันห้า้อหกสิบตอนที่สอง สำหรับคูที่ท่านมากใหม่ๆนะครับก็ถือโอกาสกันครูเพราะคูก็พูดถึงในหลวงพระองค์เป็นครูที่ยิง่งใหญ่เป็นพ่อที่ยิง่งใหญ่ในเจสิบปีที่ผ่านมาไม่กร่้งร้อยปีขงโลกไปนี้เนี่ยไม่ใช่ปีพระราชาองค์เดียวไม่ใช่ลายชาไม่มีคนไหนคนหนึ่งที่ทำได้แบบนี้ พระองค์อยู่ในสภาว่าที่พระองค์ไม่ต้องทําอะไรก็ได้เสียสุดอยองเดียวก็ได้แต่เจสิปีที่พระองค์ปกครองลาดเนี่ยพระองค์ไม่มีวันหยุดเลยเพราะพระองค์มีลูกหลายคนลูกคนนี้เจอฝนแรงพระอง ค, กคอง์ก็สร้างต้นทีมลูกคนนี้เจอน้ําท่วมก็สร้างแกล้งสร้างเกลูกคนนี้ไม่สบายก็ส่งเสริมแพทยเตือทีพระองค์ดูแลทั้งหด ที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาเป็นไงเพราะองค์บูรณาการทุกๆศาสตเพื่อยไปแก้ปัญหานั้นๆเพราะปัญหาแต่ละยา่างเราใ่เอาสาในศาสตร์นี้แก้บังเอิญการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยเราแยกเป็นคะแนกเป็นคณะผูกคนเก่งในเรื่องเดียวนะรีบเป็นความต้องการของตนเดยวเขาไม่้องการให้เรารู้ทุกเรื่อง ต้อง ก, การเราให้สเปเชียลอะไรเรื่องเดียวเท่านั้นเนพะื่อ <c oughs> เป็นเครื่องมือในการสร้างทุของเราพราะกูก็เป็นเคยเป็นทุนทร้างชานะนะว่าถขาคิดอย่างไร ก, ก็คุยกับกูก็อยู่ว่าเราทำการศึกษาเดีเราก็มีข้อจำกัดเราทานอกกรอบที่เขาตั้งนโยบายมาลสุก็ไม่ได้พราะกูก็เปิดโรงเรียนทีสุมาล่างหน่อยนะเรามีสองโรงเรียนนะปีที่เป็นปีแรกที่ มัธยแล้วก็คารเทื่ยวเด็กๆไปเรียนต่อข้าพพนยสุรินทอันนี้พ่คูก็เกิดแล้วก็ชีวิตปู่พ่ครูเนี่ยบุญเยอะแน่นอนเกิดมาคาสอนพมิธเจ้าแล้วก็ศาสนาหลายๆศาสนาพ่อครูศึกษาทุกศาสดาเนี่ยมุ่งเน้นสอนให้คนทำดีนะครับแล้วก็มาปบอันนี้พบเวงตาเยอะเลยสมบัติ วันที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้ารขึ้นของราชปีนั้น2่ะ3เป็นปีที่พระองค์เพิ่งเกิดวันนี้นะก็ติดตามรอยพปอยู่บนบ่าติดตามสิ่งที่พระองค์มุ่งแก้ปัญหาให้ราสะดอดนะวันที่พระองค์ขึ้นของราชพระองค์แค่สิเก้าจ็า คน19บ้าังษาสามารถเป็นนะพระราชดำงหรับบอกมาว่าเราจะฟองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาสยามนะแล ะ, และพระองค์เจสิปี<ม>ก็ตั้งบัานบ้านอิธานทาดังทีโป่งกับไม่มีบุพร้องเม็ดหน่อยแล้วก็พระราชดำงหรับสุดท้ายปีใหม่2559 ส่งท้ายนี้กับ58ประสบการณ์ที่พระองค์พยายาจะให้ราสุดอดพระองค์เนี่ยได้รับความสุขแต่พระราชบัตสุดท้ายพระองค์เตือนว่าชีวิตเราไม่ใช่มีแค่ความสุขอย่างเดียวมันมีทุกข์ด้วยฉะนั้นทุกคนต้องเตรียนความพร้อมและจบ้ายที่อย่าประมาทนะครับตรงกับ พระพุทธเท จ, จ้าก่อนที่พระองค์จะจากเราไปนะคำสอนสุดท้ายคำเทศนาสุดท้ายก็จบู่ที่อย่างละม า, มาคือทุกคนจบที่ความตายนะที่สูุพรรณไขยทุกเท้าเราเตรียมพร้อมราการจิตใจแล้วก็จบดท้ายด้วยการกระเนริญมรณานุสเดหน้าที่หลักของเราคือเตรียมตัวตายนะก็ตอะรตายแน่แน ดีก็ตายชั่วก็ตายจนก็ตายกลัวยก็ตายอยากก็ตายไม่อยากก็ตายกลัวก็ตา ย, ย, าตายไม่กลัวก็ตา ย, ต, ต, ายตายแน่ๆมันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วตัวน้นเๆตายดีไปสู่สุคตตายชั่วไปสูทุกข์อนติอันนี้ในฐานะคนจึงไม่ประมาณนะส่วนเมื่อเราเกิดมาแล้วโดยเฉพาะชันผมยุบใหม่ เขาตั้งระบบการดํำรงชีวิตนะแบบวิชาชีพทุกคนต้องเรียนหนังสือนะเพื่อเป็นประกอบอาชีพจริงๆนะอาชีพสมัยโบราณเนี่ยก็แค่อย่างชีพอาศัยอาชีพอาศัย อ, อย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตามรักษากายภาพนี้่อเป็นเครื่องมือเดินทางของิตแต่ตอนนี้เนี่ยอาชีพของเราเนี่ย ูความคิดแบบทุนนะทนิยมนะธุรกิจนิยมยมาครอบนบจริงๆแล้วเศรษฐกิจเนี่ยในภาษาอังกฤษเรียกว่าอีโคโนมีมันแปลว่าเศรษฐกิจมันแปลว่าโโมัจย์นะอีโคโนมีคอร์ี่มันแปลว่าอย่างมัธยย์แต่ตอนนี้เศรษฐศาสตร์หรืออีโคโนมิส กลายเป็นสอนให้ทุกคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเป็นบริโภคนิยมเป็นวัตถุนิยมเศซ็นทรัลถูกขรอบงำด้วยธุรกิจนิยมถ้าไม่มีการฟุ่งเฟือฟุ่มเฟือยซื้อขายแล้วเนี่ยเขาก็สร้างจนไม่ได้เราถูกเกินโดยในย่ากของเศรษฐกิจริงๆเนี่ยถูกเกินไปต่างกันฟ้าดกัน เราเลยดำรงชีวิตได้ก็ต้องพึ่งเศรษฐกิจถ้าไม่มีเศรษฐกิจก็กกทุกขในหลวงสัการที่9พระองค์เห็นพระองค์ตึงชี้ทางให้เราคือเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจแล้วมั่งพอเพียงแต่ตอนนี้ธุรกิจนิยมเขาไะยอมให้พอเพียงนะเป็นการสร้าง GDP แข่งกันนะสร้างความเติบโต GDP มันอั l i m i ภาษาอิตาลีว่า f i n i s มันไม่มีวันสำเร็จไม่มีวันสิ้นเพราะคาว่ารวยเนี่ยมันไม่มีขอบเขตกันครับหนึ่งล้านก็รวย10ล้านก็รวยพันล้านก็รวยหมื่นล้านแสล้านก็รวยนะแข่งความรวยกันอาชีพก็เปลี่ยนไปอาชีพอาชีพอาาย่างชีพกลายเป็นเล่นเกมธุรกิจนะถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยเราเกิดมาในยุคนี้เนี่ยเราก็เป็นอยู่อ แล้วก็วิ่งตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับพวกคูคนเรียนนี่วิ่งตามไปส่ปีบังเกินบุญเก่าต่างให้พ่คูอยู่ได้นะถึงจะอยู่ได้ยีปีไม่ก้นะพาพูดเสิ่งที่เราสผัานาเนี่ยมันไม่นพูดได้ไงนะพูดออกมาปุ๊บเขาจะว่าเราเป็นไรนะแต่วันนี้พคูถึงว่าพคูวายุสแปีแล้วนะก็รับถอยหลเหมือนกันนะเออก็มาทาหน้าที่ เมื่อแปงปันผความรูช่วงนี้ก็ถือโการเป็นโปรที่เป็นครูนะเพราะกูก็กำลังวิ่งเดินเดี๋ยวสักครู่เราฏิบัติเช็คแนดสแล้พวกกูก็ขอไปใช้เวลาสรุปนิดหนึ่งนะครับในไหนเข้ามาพกคนครูเพราะกูมีความรู้สึกว่ากลับมาบ้านตับนะเมื่อเช้านี้น่าเม บ, บินมา ก, กูก็เอาเวลานามบินไม่ได้ไปไหนเพราะรับงานที่นี้อยู่ที่นี่ทั้ ง, งวันนะครับเป็นความดี ก็คุณครูลองนะพวแก้วเพชเนี่ยเขาเขาลองเพลงใหมให้เราลองดูนะครับท no <to> ่านที่ยังไม่คุ้นเคยลองเปิดจิตทําแกเป็นกลางนะลองปฏิบัติดูนะครับแล้วสักครู่หนึ่งพวกครูขอสนุกอีกนิดนึงนะครับเคยท่านครูยืนขึ้นห่างๆนะครับถอยหลังไปข้างหลังเลยนะครับเวอท่านนี้ต้องใช้พื้นที่มาก